ปมเป็นไม่เที่ยงสเปชังคาละอเนจ่าสเปสังคาลาตุขาสเปธรรมานตา์าท่องไม่ได้บอกตรงไหนก็อใดบักไหนตอนไหนไก็ท่องไม่ได้ก็เลยพี่ชาไล่ศึกไม่อยากศึกพระเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องเรียนอะไรหไอก เอาเอาผ้าขึ้นนี่ไปถ้าขาวเท่าฝ่ามือเนี่ยเอาไปลูปนะโจฮันนังละโจฮลน น, นังลูปไปอยู่บอยๆนะโจฮันนังลูปไปลูปไปลูปลอยข้างไหลายหอนผ้าสีขาวๆเขาเปื้อนขึ้นเปื้อนขึ้นดำขึ้นเปลี่ยนเฉีเป็นเฉีใหม่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 ปฏิบัติันเลิดย่อมเลยผลดันเลิดย่อมมีได้แม้เลือดเนื้อจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนท่วมหลงเป็นไม่หลงแนะ่จะหิวจะร้อนจะอยู่ยังไงก็จะเปลี่ยนมันให้มันรู้เข้าไปมีแน่นอนชีวิตของเราต้องมีปัญหาในมีเจืดมีแจ่มีเจ็บมีตาย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 เก่าก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหายมันหลงเก่าเวลามันคันยังตอนกลางคืนน่ะเป็นปามขึ้นมาไปหาหมอหรือว่าเป็นอะไรนรืว่าเป็นโรคมาเรียมอีกงมบอกว่ า, ว า, วาอุ้ยงั้นผิวแห้งไม่ใช่โรคผิวมันแห้งต้งองเอายาไปทาหรือมี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 อัตภาพวังอัมหางคังบริสัท <c oughs> จจรธ์ชั่มิเจ่กนก็ว่ากันนาราจะปฏิวัติธรรมมีแต่ภาวะทีว่ว่าอิมาหังพักวาข้าแต่พระผู้มี พ, พระจ้าผู้เจริญอัตภาพวางังอัมหางคังบริสัทธ์ ม, ไมิไม่อยากไม่อยากแปลเพราะมันไม่โลภาษา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 อะไรมาตลองห <c oughs> ตายอะไรมาต้องงไม่มีมีแต่พระพ่ที่เห็นไม่เป็นที่เอาเป็นกางกระทาไม่ใช่มีอะไรมามาเปรียบเทียบบ่านั่นดีอันนั้นไม่ดีไม่ใช่มันเห็นแจ้งเนี่ยพรไวยเ่นนี้ไม่มีอะไรอ้างตั้งทีนลร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 กำเนิดของของของก่อนเกิดเจเยบตามันอยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นคนแก่เช่นหลวงพ่อก็หลวงพระกงมถือไม่เท่าสักไปโง่คนแก่เช่นคนหนุ่มกูคนหนุ่มน้อยๆเนื้อหนังเนื้อตึงหนังเนื้อหนังเนื้อแขนเรืองมาก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 ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรอีกแล้วชาติเช่นแล้วครมวจารณ์อย่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำเรื่องนี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือปฏิบัติธรรมงั้นทำได้เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ชนานาญเดี๋ยวนี้ถ้าหากมีหลงชํานาญในความไม่หลงนี่งานของพวกเราถ้ามาันุบทำงานในความไม่จบถ้ามันทุกชํานาญในความไม่ทุก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 ทำได้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทำเดี๋ยวนี้ให้มันได้พรุ şey ่งน no? ี้ก็ยังจะมีปัจจุปนันจะโยธํามองตตถวิปัสติเนียเนาะได้ยินไหมอ่ากัฟังฟัง